5. ปาจิตติยกันจำนวนอาบัตในปาจิตติยกัน 1. มุสาวาทวักห 1. มุสาวาทะสิกขาบท 165. ถามภิกษุกล่าวเทจทั้งที่รู้ต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุกล่าวเทจทั้งที่รู้ต้องอาบัตห้าอย่างคือ 1. ภิกษุมีความปรารถนาชั่วถูกความอยากครอบงำกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัติปาราชิก 2. ภิกษุโจทย์ภิกษุ ด, ษ ด, ด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลต้องอาบัติสังฆาทิเศษสาภิกษุกล่าวว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้น เป็นพระอาหารหันต์เมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติทุลใจ 4. เมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฏ 5. ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ต้องอาบัติห้าอย่างเหล่านี้ 2. โอมะสวาทสิกขาบท ภิกษุกล่าวเสียดสีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กล่าวเสียดสีอุปสัมบันต้องอาบัตปาจิตตีสองกล่าวเสียดสี อ, อนุ ป, ปสัสมบันต้องอาบัตทุกกด 3. เปสุญยะสิกขาบทภิกษุกล่าวซอเสียดต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กล่าวซอเสียดอุปสัมบัน ต้องอาบัตปาจิตตี 2. กล่าวสอเสียดอนุปสมบันต้องอาบัตทุกกฏ 4. ปะทะโสธรรมะสิกขาบทภิกษุสอนอนุปสมบัติให้กล่าวทำแข่งกันเป็นบทบทต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังสอนให้กล่าวต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัติปาจิตตีทุกทุกบทห้าสหาเสยะสิกขาบทพิกษุนอนร่วมกันกับอนุประสัมบัญเกิน 2-3 ถึงคืนต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังนอนต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายามสองเมื่อนอนแล้วต้องอาบัตปาจิตตีหกทุติยสหเสยะสิกขาบท ภิกษุนอนร่วมกันกับมาตุคามต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังนอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อนอนแล้วต้องอาบัตปาจิตติเจธรรมเทศนาสิกขาบทภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน5ถึง6คําต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังแสดง ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆุกบท 8. ภูตาโรจนะสิกขาบทภิกษุบอกอุตตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันิต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังบอกต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบอกแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 9. ทุตถุลลาโรจนะสิกขาบทภิกษุบอกอาบัตชั่วยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบัติต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังบอกต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบอกแล้วต้องอาบัตปาจิตติส 10. ปะทวีขณนณะสิกขาบทภิกษุขุดดิน ต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังขุดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคราวที่ขุดมุสาวาทวักที่หนึ่งจบ